45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพลธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบทนำ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ประธานพระโอวาทแก่นวกกาพิสุทธ์มาโดยลาดับศก ด, ดังที่ได้บันทึกธ ร, รมเป็นเล่มแล้วได้ทรงแสดงตั้งแต่เบื้องต้นเช่นเรื่องการบวชพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและได้ทรงแสดงธรรมะในนวโกวาทไปตามลาดับหมวดกับในธรรมวิภาคปริเสตที่สอง ธรรมะที่พึงจับเป็นหมวดกันได้ก็ทรงแสดงเป็นหมวดคือธรรมะในโพธิปักขีย์ธรรมกับธรรมะที่เป็นหมวดสรีระยนต์เมื่อได้สนใจอ่านพระโอวาทให้เข้าใจโดยตลอดแล้วก็จะได้ความรู้พระพุทธศาสนาพอสมควรทีเดียวส่วนที่จะแสดงในที่นี้ก็จะแสดงในเรื่องเดียวกันกับพระโอวาทต น, นบ้างต่างไปบ้างแต่ก็พึงทราบว่า อาศัยอยู่ในแนวของพระโอาวาทนั้นเป็นพื้นเพราะก็ได้ฝึกหัดและศึกษาธรรมะมาจากพระองค์ท่านเป็นส่วนมากและแม้จ ะ, สะแสดงในเรื่องเดียวกันแต่มีแนวความอธิบายต่างกันออกไปก็พึงถือว่าก็เป็นการที่ขยายความออกไปอีกบ้างเท่านั้นเรื่องการบวชเรื่องการบวชคำนี้ออกมาจากคำว่าปพัชชา มีคำแปลอย่างหนึ่งว่าการออกการหลอกที่เป็นการบวชหรือปรชชานี้ในเบื้องต้นก็เป็นการออกทางกายคือออกจากเคหสถานบ้านเรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือนเพราะฉะนั้นจะมีคำเรียก น, นักบวชว่าปนาคาริยะที่แปลว่าคนไม่มีเรือนคนไม่มีบ้านเพราะว่าได้ออกจากบ้านเรือนมาแล้ว เมื่อออกมาเป็นอนาคาริยะคือคนไม่มีบ้านคนไม่มีเรือนดังนี้แล้วจึงต้องมีความเป็นอยู่เกี่ยวพันกับนิสัยสี่ของบรรพชิตคือผู้บวชคำว่านิสัยนั้นก็มีอยู่สองอย่างคือนิสัยที่เป็นภายนอกอย่างหนึง่งนิสัยที่เป็นภายในอย่างหนึง่งนิสัยที่เป็นภายนอกได้แก่ปัจจัยเป็นเครื่องอาศัย ซึ่งนับว่าจำต้องอาศัยขาดไม่ได้นิสัยที่เป็นภายในได้แก่นิสัยจิตใจก็หมายถึงพื้นเพของจิตใจแต่ว่านิสัยจิตใจนั้นจะยกไว้จะกล่าวเฉพาะนิสัยภายนอกคือปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยที่จําเป็นสําหรับผู้บวชก็คือเที่ยวบินทบานนุ่งหุมผ้าบางสกุลอยู่โคนต้นไม้ ใช้ยาดองด้วยน้ำมูดเน่าดังที่ได้บอกกันเมื่ออุปสมบทเสร็จใหม่ๆนั้นแล้วทำไมจึงต้องบอกนิ ส, สัยสี่ก็เพราะว่าเมื่อออกจากบ้านจากเรือนมาเป็นอนาคาริยะคือคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนจะทำอย่างไรครอบครัวก็ไม่มีก็ต้องเที่ยวขอเขาคือเที่ยวบินทบาตผ้านุ่งห่มจะได้ที่ไหน ก็ต้องเที่ยวเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งเขาไม่ต้องการมาทําเป็นผ้านุ่งห่มสําหรับตนที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ไหนบ้านก็ไม่มีโดยที่สุดก็ต้องอยู่ตามโคนไม้เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นจะได้อยู่ยาที่ไหนเมื่ออยู่ตามโคนไม้ก็ต้องเก็บเอาผลไม้ที่เป็นยามาทําเป็นยากันแก้ไข้าตามมีตามได้เพราะฉะนั้นนิสัยสี่นี้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับผู้ที่บวชตามความหมายดังเดิมนั้นคือว่าออกมาเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนก็ต้องอาศัยนิศสัยสีนี้เท่านั้นแต่ต่อมาเมื่อนักบวชได้มาเกี่ยวข้องกับชาวบ้านชาวเมืองม่ฐานะที่มาเที่ยวสั่งสอนอบรมเขามาเป็นบุญเขตคือนาบุญของเขาเมื่อเขามีศรัทธาเขาก็สร้างวัดให้อยู่ ก็กลายมาเป็นนักบวชที่อยู่วัดเมื่อมาอยู่วัดเข้าชาวบ้านชาวเมืองมีศรัทธามากขึ้นเขาก็มาบำรุงด้วยอติเรกลาบต่างๆจนมากมายด้วยกําลังศรัทธาของเขาดังที่ปรากฏอยู่นี้เพราะฉะนั้นในบัดนี้มักจะลืมเลือนไปถึงความหมายเดิมของการบวชลืมเลือนนิสัยสี่ของการบวชชักให้ประมาท ลืมความเป็นนักบวชคือความเป็นผู้ออกดังกล่าวของตนแล้วก็ประพฤติตนไม่สมควรก็กลายเป็นก่อบาปก่ออกุสนขึ้นฉะนั้นจึงควรที่จะระลึกถึงความหมายของการบวชระลึกถึงนิสัยสี่ของการบวชที่มีความหมายเกี่ยวพันกันดังกล่าวมานั้นแล้วก็ไม่ประมาตตั้งใจบวชปฏิบัติพระธรรมวินยัย ตามกำลังสามารถทำไมเขาจึงบำรุงด้วยอัติเรกลาบต่างๆมากมายก็เพราะเขามุ่งจะให้ผู้บวชเป็นสมณะที่ดีจะได้มีส ป, ปายะคือความสะดวกสบายในการที่จะเล่าเรียนปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงควรทำสติคือความระลึกสัมปะชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเขายิ่งบำรุงเท่าไหร่ ก็จําเป็นที่จะต้องยิ่งทำความดีให้มากขึ้นเท่านั้นเพราะข้ามุ่งเช่นนั้นเขาจึงทํานุบํารุงเมื่อมีสติเช่นนี้แล้วก็จะได้เกิดความไม่ประมาทตามที่กล่าวมานี้เป็นการออกบวชทางกายและยังต้องมีรัตทิวิธีในการบวช ด, ดังออกบวชเป็นภิกษุเป็นสามเณรก็จะต้องปฏิบัติพิธีการบวชเมื่อบวชแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาปฏิบัติในสิกขาตามหน้าที่ของผู้บวชในการนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการออกบวชอีกอย่างหนึ่งคือการออกบวชทางใจได้แก่การปฏิบัติทางจิตใจให้เกิดความสงบระงับตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าการออกบวชทางจิตใจเป็นข้อสำคัญถ้าจิตใจไม่ออก ดังเช่นจิตใจยังฟุ้งซ่านไปในเรื่องของโลกในเรื่องของบ้านที่ได้ออกมาแล้วหรือในทางใดทางหนึ่งในภายนอกก็จะพาให้ร่างกายกระสับกระส่ายไปด้วยไม่สามารถจะปฏิบัติในศิกขาของผู้บวชได้เพราะฉะนั้นการบวชที่สมบูรณ์ก็จำเป็นที่จะออกบวชทางจิตใจอีกส่วนหนึ่งอันหนึ่งบวชทำใหม่ปัญหานี้ ตอบตามทางที่เจรนาดูตามประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระราชะกุมารก็ทรงมีความบริบูรณ์พูนสุขทุกประการแต่ได้ทรงปาราบถึงความแก่ความเจ็บความตายที่มีครอบงาสัตว์โลกทุกทวหน้าจึงทรงประสงค์จะพบง้อขธรรมคือธรรมะ เป็นเครื่องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเมื่อทรงประสบพบเห็นสมณะคือนักบวชก็ทรงเลื่อมใสในการบวชทรงเห็นว่าจะเป็นทางแสวงหาโมฆะธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์ดังกล่าวนั้นได้จึงได้เสด็จออกบวชเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายแห่งการบวชของพระพุทธเจ้าจึงได้มุ่งโมฆะธรรม ธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์ของโลกคือความแก่ความเจ็บความตายพร้อมทั้งความเกิดผู้ที่บวชตามพระพุทธเจ้าในชั้นแรกก็มีความมุ่งมั่นเช่นนี้ดังเช่นพระสาวกในครั้งพุทธการรูปหนึ่งชื่อว่าพระรัปปาละท่านเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็ได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชปฏิบัติจนเป็นพระอระหัน์รูปหนึ่ง วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินของแควนนั้นพระนามว่าพระเจ้าโกรพยยาในถามท่านว่าท่านบวชทําไมเพราะคนโดยมากนั้นบวชกันเพราะเหตุว่ามีความเสื่อมเพราะชราบ้างมีความเสื่อมเพราะความป่วยไข่บ้างมีความเสื่อมทรัพย์สมบัติบ้างมีความเสื่อมญาติบ้างแต่ว่าท่านนัทธ ป, ปาละ เป็นผู้ที่ยังไม่มีความเสื่อม ใ, ใดๆดังกล่าวนั้นฉะไหนท่านจึงออกบวชท่านก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรรมุทเทศไว้สี่ข้อคือหนึ่งโลกอัญชราย่อมนำเข้าไปไม่ยั่งยืนสองโลกไม่มีอะไรต้านทานจากความเจ็บป่วยไม่เป็นใหญ่ 3. โลกไม่ใช่ของของตนเพราะทุกๆคน จำต้องละสิ่งทาปวงไปด้วยอำนาจของความตายและสโลกพร่องอยู่ไม่มีอิ่มเป็นธาตของตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากท่านได้ปรารบธรรมมุทเทศคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสประการนี้จึงได้ออกบวชแต่ว่าการบวชนั้นก็ไม่ได้มีผู้มุ่งผลอย่างสูงดังกล่าวนี้เสมอไป ดังในมิลินทัพปัญหาพระเจ้ามิลินได้ถามพระนาเกษตว่าประโยชน์สูงสุดของการบวชคืออะไรพระนาเกษตท่านก็ตอบว่าประโยชน์สูงสุดของการบวชนั้นคือพระนิพพานคือความดับเพราะไม่ยึดมั่นอะไรอะไรทั้งหมดแต่คนก็ไม่ใช่บวชเพื่อประโยชน์นี้ทั้งหมดบางคนบวชเพราะหลีกหนีราชภัยบ้าง หลีหนีโจรภัยบ้างปฏิบัติตามพระราชประสงค์หรือตามประสงค์ของผู้มีอำนาจบ้างต้องการพ้นหนี้สินบ้างต้องการความเป็นใหญ่บ้างต้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายบ้างเพราะกลัวภัยต่างๆบ้างพระเจ้าวิลินก็ถามว่าพระนาคเสนเล่าเมื่อบวชมุ่งประโยชน์อย่างนี้หรือหรือมุ่งประโยชน์อย่างไรพระนาคเสนก็ตอบว่า เมื่อท่านบวชนั้นท่านยังเป็นหนุ่มก็ไม่ได้คิดจะมุ่งประโยชน์อย่างนี้แต่ว่าท่านคิดว่าพระสมณศักยิบุตรเหล่านี้เป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาดจะกสามารถยังเราให้ศึกษาได้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้บวชเพื่อศึกษาครั้นท่านได้ศึกษาแล้วท่านจึงได้เห็นประโยชน์ของการบวชเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่า ท่านบวชก็ด้วยมุ่งประโยชน์เช่นนั้นเหมือนกันพระนาคเสนท่านตอบพระเจ้ามิลินดังนี้แม้ในบัด น, นี้การบูชยัไม่ได้มุ่งทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าบูช ด, ด้วยมุ่งจะศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดประณีตเท่าที่เมื่อเข้ามาบูชแล้วจึงจะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้น แม้มีความมุ่งจะบวชศึกษาและปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าเป็นความมุ่งที่ถูกต้องเหมือนกันในพระสูตรหนึ่งท่านได้แสดงถึงคนที่มุ่งดีเข้ามาบวชแต่ว่าเมื่อบวชแล้วก็ยังมีการได้ต่างๆกันอย่างที่หนึ่งเรียกว่าบวชได้กิ่งใบของพรมจรรย์คือบวชแล้วก็มุ่งแต่จะได้ลาบได้สการะ ได้สารเสริญมเมื่อได้ก็พอใจเพียงเท่านั้นอย่างที่สองเรียกว่าบวชได้กระทบเปลือกของพรหมจัร์คือก็ไม่ได้มุ่งจะได้ลาบสการะและสารเสริญทีเดียวแต่ก็ปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยและก็พอใจเพียงว่าจะปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เท่านั้นอย่างที่สามเรียกว่า บวได้เปลือกของพรหมจรรย์คือเมื่อปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้แล้วก็ปฏิบัติในสมาธิให้บริบูรณ์ด้วยและก็พอใจเพียงสมาธิเท่านั้นอย่างที่สี่เรียกว่าโบวชได้กระพีของพรหมจรรย์คือเมื่อได้ปฏิบัติในศีลในสมาธิให้บริบูรณ์แล้วก็ปฏิบัติต่อไปจนเกิดญาณทัศนะคือความรู้ ความเห็นธรรมะขึ้นด้วยและก็พอใจเพียงที่รู้ที่เห็นเท่านั้นอย่างที่ห้าเรียกว่าบวชให้ได้แก่ของพรหมจรรย์คือว่าได้ปฏิบัติสืบขึ้นไปจนได้วิบุติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกบางส่วนหรือสิ้นเชิญตามามสามารถของการปฏิบัติอย่างที่ห้านี้จึงจะชื่อว่าได้บรรลุกแก่นของการบวช หรือว่าบวชได้แก่นของพรหมจรรย์การบวชได้อะไรบ้างตามจังชันนี้อันที่จริงเมื่อได้บวชตั้งใจปฏิบัติในศีล ใ, ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมาก็ชื่อว่าเป็นการบวช ด, ดีได้แต่ยังมีกิจที่จะต้องทำให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ต้องทำต่อไปไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นการบวช จะได้ประโยชน์ของการบวชตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำดังที่กล่าวมานี้ก็ต้องอาศัยการบวชใจประกอบอีกส่วนหนึ่งเมื่อบวชพร้อมทั้งกายทั้งใจแล้วก็จะเป็นการบุญเป็นการกุศลอย่างสูงเป็นบุญก็คือเป็นเครื่องชำระความชั่วเป็นกุศลก็คือเป็นกิจของคนฉลาดชำระความชั่วของเราเองและเราเอง ก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นเองเป็นความฉลาดบริสุทธิ์เรื่องการบวชตามที่กล่าวมานี้เป็นการแสดงประกอบความรู้และความเข้าใจควรจะสนใจและตั้งใจทําการบวชแม้ชั่วคราวให้เป็นกุศลอย่างสูงเท่าที่สามารถจะทําได้เรื่องพระพุทธศาสนาคําว่าพระพุทธศาสนาประกอบด้วยคําว่า พุทธซึ่งแปลว่าผู้รู้กับคำว่าศาสนาที่แปลว่าคำสั่งสอนรวมกันเข้าเป็นพุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของผู้รู้เมื่อพูดว่าพุทธศาสนาความเข้าใจก็ต้องแล่นเข้าไปถึงลัทธิปฏิบัติและกัะน้ำบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในลัทธิปฏิบัตินั้น ไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงคําสั่งสอนซึ่งเป็นเสียงหรือเป็นหนังสือหรือเป็นเพียงตำราตำราเท่านั้นพระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายในบัดนี้ได้รับนับถือและปฏิบัติเนื่องมาจากอะไรคือเราได้อะไรจากสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นนำมานับถือปฏิบัติในบัดนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่า เราได้นังสืออย่างหนึง่งบุคคลอย่างหนึง่งนังสือนั้นก็คือตำราที่แสดงพระพุทธศาสนาบุคคลนั้นก็คือพุทธศาสนิกที่แปลว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกนี้มิใช่หมายความแต่เพียงคฤหัสถ์หมายความถึงทั้งบรรพชิตคือนักบวชและคฤหัสถ ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่พุทธบริษัทคือหมูของผู้นับถือพระพุทธเจ้าดังที่เรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ในบัด น, นี้ภิกษุณีไม่มีแล้วก็มีภิกษุกับสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาหรือบุคคลที่เรียกว่าพุทธมาม ก, กะพุทธมามิกา ก็รวมเรียกว่าพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกทั้งหมดคือในบัทนี้มีหนังสือซึ่งเป็นตำราพระพุทธศาสนาและมีบุคคลซึ่งเป็นพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัททั้งสองอย่างนี้หนังสือก็ได้มาจากบุคคลนั่นเองคือบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกหรือเป็นพุทธบริษัทได้เป็นผู้ทำหนังสือขึ้นและบุคคลดังกล่าวนี้ ก็ได้มีสืบต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบต่อมาตั้งแต่จากที่เกิดของพระพุทธศาสนามาจนถึงในต่างประเทศของประเทศนั้นดังเช่นในประเทศไทยในบัดนี้คือว่าได้มีพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทสืบต่อกันเรื่อยมาจนมาถึงเราทั้งหลายในบัดนี้และเราทั้งหลายในบัดนี้ก็ได้เป็นพุทธศาสนก หรือพุทธบริษัทในปัจจุบันและคนรุ่นต่อๆไปก็จะสืบต่อไปอีกนั้นสือคือตำราพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวแล้วว่าก็มาจากบุคคลคือบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนานในสมัยนั้นๆได้ทำเอาไว้และเมื่อเราได้ศึกษาในหนังสือตำราพระพุทธศาสนานแล้ว เราจึงทราบประวัติของพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นการทราบเรื่องพระพุทธศาสนาในบัดนี้จึงทราบได้จากหนังสือซึ่งเป็นตำราบุคคลซึ่งเป็นผู้รู้พระพุทธศาสนาในบัดนี้ก็รู้จากหนังสือหรือตำราและก็อธิบายกันต่อๆมาเพราะฉะนั้นก็ควรจะทราบหนังสือที่เป็นตำราในพระพุทธศาสนานี้ว่า มีขึ้นอย่างไรหนังสือที่เป็นตาราพระพุทธศาสนานี้มีเล่าว่าได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างสมบูรณ์เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว400ปีเศษคือหลังจากพุทธบริณิพนธ์แล้วได้400ปีเศษภิกษุซึ่งเป็นประหูสูตรในประเทศลังกาได้ปรารบความทรงจำของบุคคลว่าเสื่อมรามลงต่อไป ก็คงไม่มีใครสามารถจะจำทรงพระพุทธวจนะไว้ได้ทั้งหมดจึงได้ประชุมกันทําสังคายนาคือสอบสวนร้อยกรองพระพุทธวจนะตามที่ต่างคนได้จํากันไว้ได้รับรองต้องกันแล้วก็เขียนลงเป็นตัวหนังสือตําราที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่เล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคําสั่งสอนไว้อย่างไรเรียกว่าเป็นประการ คือเป็นหนังสือชั้นบาลีเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งและต่อมาก็มีอาจารย์ได้แต่งคําอธิบายบาลีนั้นคําอธิบายบาลีของพระอาจารย์นั้นเรียกว่าอัทธกถาแปลว่ากล่าวเนื้อความเป็นตําราชั้นที่สองต่อมาก็มีอาจารย์แต่งอธิบายอัทธกถานั้นอีกเรียกว่าดีกาเป็นตําราชั้นที่สาม ต่อมาก็มีพระอาจารย์แต่งอธิบายดีกาออกไปอีกเรียกว่าอนุดีกาเป็นตําราชั้นที่สและก็ยังมีพระอาจารย์แต่งอธิบายเบ็ดตเตล็ดเป็นเรื่องสําคัญบ้างเป็นเรื่องย่อยๆบ้างอีกมากมายก็เรียกว่าเป็นปกรณ์พิเศษคือเป็นหนังสือพิเศษต่างๆแต่ว่าตําราที่เป็นหลักก็คือบาลีอัตกถาดีกา อนุดีกาดังกล่าวมานั้นหนังสือเหล่านี้ได้มีในประเทศลังกาและตามประวัติก็เล่าว่าเดิมก็เขียนเป็นภาษาลังกาหรือภาษาสีหนอยู่เป็นอันมากและต่อมาก็ได้มีพระเถระเชฟพระพุทธโฆษาจารย์มาแปลเป็นภาษาบาลีที่ในบัด น, นี้นับถือว่าเป็นภาษาพระพุทธศาสนาจนถึงในบัด น, นี้ หนังสือตำราเหล่านี้ก็ได้แปลเป็นภาษาบาลีในลังกาทั้งหมดในประเทศไทยเราก็ได้ตำราเหล่านี้มาเช่นในบัด น, นี้ที่เป็นชั้นบาลีก็ได้มาบริบูรณ์ชั้นอัตถกถาก็ได้มาบริบูรณ์ดีกาอนุดีกาก็มีโดยมากแต่ที่พิมพ์แล้วด้วยอักษรไทยสำหรับที่เป็นบาลีเรียกว่าพระไตรปิฎก พิมพทั้งหมดพิมพ์เมื่อรัชการที่หครั้งหนึ่งพิมพ์เมื่อรัชการที่7คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชการที่6เป็นครั้งที่สองและในเวลาต่อมาก็เพียงแต่พิมพ์ซ่อมสำหรับที่เป็นชั้นบาลีอันเรียกว่าพระไตรปิฎกนี้ทางคณะสงฆ์ได้แปลเป็นภาษาไทยและได้พิมพเสร็จแล้ว เป็นจำนวนมากเล่มเป็นฉบับแปลของกรมการศาสนาส่วนที่เป็นชั้นอัตกรถาได้พิมพ์ไว้ด้วยอักษรไทยเป็นส่วนมากชั้นดีกาก็ได้พิมพ์บ้างแต่เป็นส่วนน้อยแต่หนังสือเหล่านี้โดยมากก็เป็นภาษาบาลีเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อจะรู้พระพุทธศาสนาด้วยตนเองจากตำราเดิมจึงต้องศึกษาภาษาบาลีหรือภาษามคต พระภิกษุที่บวชมีหน้าที่จะต้องศึกษาสืบต่อพระพุทธศาสนาก็ต้องเรียนภาษาบาลีกันและก็นำเอาพระธรรมวินัยจากบาลีนั้นมาแสดงแก่ผู้ที่ไม่ได้เรียนภาษาบาลีเมื่อทราบว่าเราในบัดนี้ได้ทราบพระพุทธศาสนาจากหนังสือและจากคณะบุคคลซึ่งเป็นพุทธศาสนกดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้แล้วก็ควรจะทราบต่อไปว่า เมื่อศึกษาจากหนังสือและบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกที่เป็นครูบาอาจารย์ต่อๆกันมาจึงได้ทราบว่าต้นเดิมของพระพุทธศาสนานั้นก็คือพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธแปลว่าพระผู้รู้ในภาษาไทยเราเติมคำว่าเจ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าคือเอาความรู้ของท่านมาเป็นชื่อ ตามพุทธประวัติที่ทราบจากหนังสือทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวนั้นพระพุทธเจ้าก็าเป็นบุคคลคือเป็นมนุษย์เรานี่เองซึ่งมีประวัติดังที่แสดงไว้ในพระพุทธประวัติแล้วแต่ว่าท่านได้ค้นคว้าหาความรู้จนประสบความรู้ที่เป็นโลกุตตระคือความรู้ที่เป็นส่วนเหนือโลกหมายความง่ายๆว่าความรู้ที่เป็นส่วนโลกียะ หรือเป็นส่วนโลกนั้นเมื่อประมวลเข้าแล้วก็เป็นความรู้ในด้านสร้างบ้างในด้านทำรงรักษาบ้างในด้านทาลายล้างบ้างผู้รู้เองและความรู้นั้นเองก็เป็นไปในทางคดีโลกซึ่งต้องเป็นไปตามคติธรรมดาของโลกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับโลกนอกจากนี้ยังต้องเป็นภาตของตันหา คือความดิ้นรนทยานอยากของใจถึงจะเป็นเจ้าโลกแต่ไม่เป็นเจ้าตันหาต้องเป็นทาตของตันหาในใจของตัวเองเพราะฉะนั้นความรู้ที่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและยังต้องเป็นทาตของตันหาดังกล่าวนี้จึงเรียกว่ายังเป็นโลกียะยังไม่เป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกแต่ความรู้ที่จะเป็นโลกุตระคือ อยู่เหนือโลกได้นั้นจะต้องเป็นความรู้ที่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ดังกล่าวได้พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ปติญญาพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมซึ่งทำให้เป็นโล ก, กุตตะคืออยู่เหนือโลกคือทำให้ท่านผู้รู้นั้นเป็นผู้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ดังกล่าวนั้นท่านผู้ประกอบด้วยความรู้ดังกล่าวมานี้ และประกาศความรู้นั้นสั่งสอนได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นเดิมของพระพุทธศาสนาพระธรรมที่แรกก็เป็นเสียงที่ออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเป็นเสียงที่ประกาศความจริงให้บุคคลทราบธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเสียงที่ประกาศความจริงแก่โลกนี้ก็เรียกกันว่าพระธรรมส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือเป็นคำที่ออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเป็นคำสั่งเป็นคำสอนข้อปฏิบัติที่คำสั่งสอนนั้นแสดงชี้ก็เป็นพระธรรมส่วนหนึ่งผลของการปฏิบัติก็เป็นพระธรรมส่วนหนึ่งเหล่านี้เรียกว่าพระธรรมมูชนที่ได้ฟังเสียงซึ่งออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าได้ความรู้พระธรรมคือความจริง ที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนจนถึงได้บรรลุโลกุตรธรรมธรรมะที่อยู่เหนือโลกตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสงฆ์คือหมู่ของชนที่เป็นสาวกคือผู้ฟังของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้พระธรรมตามพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์ดังกล่าวนี้เรียกว่าพระอริยสงฆ์มุ่งเอาความรู้เป็นสำคัญเหมือนกัน ไม่ได้มุ่งว่าจะต้องเป็นค้รหัสหรือจะต้องเป็นบรรพชิตและเมื่อรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศตนนับถือพระพุทธเจ้าที่มีศรัทธาแก่กล้าก็ขอบวชตามที่ไปถึงกับขอบวชตามก็ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาจึงได้เกิดเป็นบริษัทสขึ้นคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ในบริษัทสี่นี้หมู่ของภิกษุก็เรียกว่าพระสงฆ์เหมือนกันแต่เรียกว่าสมุดติสงฆ์สงฆ์โดยสมมุติเพราะว่าเป็นภิกษุตามพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบทรับรองกันว่าเป็นอุปสัมบัติหรือเป็นภิกษุขึ้นเมื่อภิกษุหลายรูปมาประชุมกันกระทํากิจของสงฆ์ก็เรียกว่าสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ที่เป็นอริยสงฆ์ทั้งสามนี้รวมเรียกว่าพระรัตนไตรซึ่งเป็นสาระคือที่พึ่งอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาความเป็นอริยสงฆ์นั้นเป็นจำพาะตนส่วนมู่แห่งบุคคลที่ดํารงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาก็คือพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกดังกล่าวมาขั้นต้นในพุทธบริษัทเหล่านี้ ก็มีภิกษุสงฆ์นี่แหละเป็นบุคคลสำคัญซึ่งเป็นผู้เพรชีวิตมาเพื่อปฏิบัติดำรงรักษาพระพุทธศาสนานำพระพุทธศาสนาสืบสื บ, สบต่อกันมาจนถึงในบัดนี้โปรดติดตาม 45,000 ษาของพระพุทธเจ้าในตอนต่อไป